เป็นพรในดวงทุกคนนะครับหรือว่าเป็นโอกาสดีนะที่เราได้ได้มาเจอกันนะในปฏิบัติธรรมวยกันพูดต่างๆก็โอกาสดีนะพูดกับภาษาพัดไหนกะ็มีบุญเยอะนะทุกเรามีบุญเยอะมีวาสนาดีนะมี มีบารมีดีนะรู้สึกเตัวองเป็นแบบนั้นได้ไหมรู้สึกไม่เยอะอายุเยอะนาดี้แล้วยังยังเดินได้ยังมานั่งฟังธรรมได้เนี่ยโอกาสดีนะวาสนาดีรู้เยอะนะแต่ถ้าเราคิดแต่ว่า้มันก็เดินได้อยู่นะนั่งได้อยู่ขนั้นี้ก็ไม่มีเหรอ แต่ก่อนอันนั้นก็มันก็ธรรมดาเนาะแต่ก็ถือว่าพวกเราที่มาได้ในวันนี้นะก็ถือว่ามีวาสนามีวาล ม, ามีมีบุญนะมีโอกาสนะที่ดีมากนะอย่างจะมาใช่วงเดือนที่ผ่านมาก็ยังได้มีโอกาสไปไ ป, ไปสอนธรรมในหลายที่นะอย่างเช่นไปทุก เรื่องจำบางผานนะมนเนี่ยมก็ไปมีเขาก็พยายามเรียไม่เรียกนักโทษก็เรียกว่านักเรียนนักเรียนนักเรียนมาปฏิบัติธรรมก็แม้มีเวลาได้อยู่ด้วยกันไม่นานนะไป็นอนเรื่อ ง, องการเจรอสติตเนี่ยน ะ, นะมีเวลาอยู่ด้วยกันไม่นานแต่มาพบว่า นักเรียนที่มาเรียนสนใจก็มีความตั้งใจตั้งใจเรียนดีตอนแตกักเขาก็รู้สึกว่าเหมืนรู้สึกดูในแววตานะรู้สึกว่ามันขอบคุณรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ที่ได้มามาให้ธรรมะก็จะให้วิธีปฏิบัติกับเขาคือมาว่าวก็มีรู้ว่าเขาอยู่มานานและรอย่างก็คงมีหลายแต่ตัวก็คงอยู่นาน ม, มาก ผมว่า จ, จะเพ่งเข้ามานาี่เลาเลยไม่มีเวลาสักทามประวัติมากแต่แต่ที่รู้ก็คือเหมือนเขารู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนะแม้ชีวิตต้องอยู่ในเรือนจําคือนะก็เห็นนะเห็นดวงตาที่เป็นประกายเห็นความรู้สึกที่เขาเหมือนได้แสบบงสว่างนึงในชีวิตคือ ร่างกายหลายคนก็แข็งแรงนะแต่พิสระภาพที่มันไม่มีไม่มีเหมือนกับพวเราจะไปวัดไหนก็ได้นะไ ป, ไปปฏิบัติธรรมไปทั่วโลกก็ไปได้หมดอนะือเป็นโอกาสที่ดีหรือเมื่อนะสามวันที่ผ่านมาก็ได้มีการไปเยี่ยมผู้ป่วยนะที่โรงพยาบาลน่าจะเกิดเป็นรอยเคสนะ ไปเยี่ยมหลายๆที es, really, poet, so, like ring, <laughs> ่ทางผู้ป่วยเรียกว่าระยะสุดท้ายหรือผู้ป่วยที่เรียกว่าตัวแลแบบประคับประคองหรือเป็นผู้ป่วยที่รีมาก็มีหลายๆเคสก็เห็นว่าพวกเราก็โชคดีที่มาได้นะอันนั้นเราต้องไปเยี่ยมเข้าที่เตียงหลายคนเห็นก็น่าสงสารนะเด็ก ไม่ถึงยี่ปีสิบกว่ปีป่วยบางคนก็เป็นทั้งเป็นเอชอนะเป็นไปนรักษานะติดคุกด้วยนะแต่ก็มารักษานะที่โรงพรยาบาลมารักตาแล้วก็ ย, ยัแพร่ยายนะานิ้วหนังเนี่เหมือนกับเหมือนกับไปไปไหมอืนะ้ทั้งตัว เปิด น, นะไคยๆพุ้มครคคองเด็กยิ่ง น, น้ำบางมากแต่หลายเคส น, นะแม้แต่เด็กผู้หญิงเนี่ยทกอปีก็มีนอนแผ่นขาดีแต่หลายคนก็รู้สึกตัวแม้พูดไม่ได้ใช้ท่อช่วยหายใจบ้างหรือว่าเจาะคอบ้างแต่เวลา บ, บอกว่ามีพักมาเยี่ยมก็รู้สึกตัว ก็ฟังสิ่งที่เราสื่อสารได้แต่อาจจาะถามไม่ได้ก็เห็นหลายคนก็รู้สึกเหมือนรู้สึกได้กำลังใจนะหรือว่าได้รับแนวทางในการใช้ชีวิตตอนที่นอนป่วยขอนสมควรหรือหลายคนก็อยุเยอะเยราะที่ น, นั่นเหมือนโย น, นนะเคยทำบุญใส่บาตรเคยไปวัดนะตอมานอนป่วยไม่ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปพักไปเยี่ยม้องคนกคด็ดีใจ ด, ดีใจมันมันภาษาที่บอกดีใจออกนอกหน้าคือหน้าต า, าแสดงความดีใจอยู่บนเตียงถูกมัดมือว่าเท้าก็อยากจะยกอยากจะอะไรก็นือถ้ามีแรงคงลุกออกจากเตีย ง, ยงเยง อ, งองล น, นะลายเคสก็เป็นแบบนั้นนะก็ มันก็คือโอกาสโอกาสของหลายคนเขาน้อยความป่วยก็ดีหรือว่าสถานที่ที่ไม่มีอิสระจะไปไหนมาไหนได้ก็ดีโอกาสเขาน้อยพวกเราโอกาสเยอะกว่าแต่โอกาสบางคนมองเป็นโอกาสน้อยแต่ถ้าเขาคว้าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตนะไปใช้ตออก็ดีเหมือนกันนะ ก็ไปแนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมนะเรื่องให้มีกรรมฐานนะให้มีการฝึกฝึกสติฝึกสมาธิฝึกจิตฝึกใจนี่าหะออยู่ที่ในไหนเราก็ดีพ้นความทุกข์ของร่างกายแล้วก็ความทุกขอ์งข อ, งกของจิตใจเนาะน อ, ย อ, อย่างเป็นผู้ป่วยก็ ความทุกข์ของร่างกายก็ชัดเจนแต่บางทีบางคนไม่ได้ทุกข์ร่างกายมากอย่างเช่นนักโทษหรือคนทั่วไปร่างกายไม่ได้ทุกข์มากแต่บางทีก็มีความทุกข์ดาน จ, จิตใจจิตใจที่มีความทุกข์ผิดาดมีปัญหาไม่มีอิสะระคนเราก็ทุกข์สองส่วนนี่แหละไม่กายกันใจไม่ใช่เด็กคนธรรมดานะ พระก็มีความทุกข์ทางกายทางใจเหมือนกันการปฏิบัติธรรมก็คือจะทําไงให้เรามองนะมองความทุกข์จนทั้งเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาจิตใจไม่มีอิจความทุกข์ว่เป็นตัวเราของของเราเนี่ยที่การปฏิบัติธรรม เมื่อนั้นก็เห็นแต่มีแต่สภาวะที่มันทุกข์แต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกข์นี่คือปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อให้เห็นอย่างนี้ให้เกิดสติปัญญาแบบนี้นะเพราะว่าความเห็นผิดที่สําคัญมากๆก็คือการที่เราไปยึดว่าร่างกายเนี่ยเป็นของเราจิตใจเป็นของเรานะเมื่อร่างกายแก่เมื้อร่างกายเจ็บเมื่อร่างกายตา ย, ตาย มันก ch ็ยึดว่ามันเราแก่เราเจ็บเราตายนะหรือเมื่อจิตใจถูกสิ่งที่ตะโกกระท่งมนะให้เป็นความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจวุ่นวายใจเราก็จะยึดคิดว่าใจเราวุ่นวายใจเราไม่สงบใจเรามีความทุกข์แต่ครั้นี้เราจะตึกแบบนี้นะ การฝึกกรรมฐานจริงๆคือฝึกให้ใจเรามีาพูดง่ายๆฝึกให้ใจมันีเครื่องอยู่กรรมฐานแปลว่าที่ตั้งนฐานที่ตั้งของจิตใจนจะรูปแบบไหนก็แล้วแต่แล้คือฝึกให้ใจมีเครื่องอยู่จใจเวลาไม่มีเครื่องอยู่ก็คล้ายๆน้องเด็กที่เล่รล่อนอกอกนอกบ้าน ไม่มีที่หลบฝนนะไม่มีที่กลับมาใจมันไม่ค่อยมีเครื่องอยู่เรื่อที่ว่าใจเราเรียกว่าใจลอยนะพง่ายใจลอยนะใจลอยไปอดีตใจลอยไปอนาคตนะอดีตก็ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ่อนาคตก็ไปพิตกกังวลนะติดใจลอยรวมถึงใจลอยในปัจจุบันก็มีนะ ใจเราปัจจุบันเช่นก็ใจไปทางตานะเห็นอะไรก็มองตามสายตาไปใจไปตามหูได้ยินเสียงอะไรตั้งใจก็ไปตามหูที่ที่ได้ยินนะฮะใจไปตามกลิ่นได <c oughs> <c oughs> อาหารขนมก็ใจก็ไปตามกลิน่ก น, น, นกินนานๆกันใจไปตามรสชาติกินอาหาร ทำดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างใจก็ไปอร่อยไม่อร่อ ย, ไ, อยไปทินาการต่อเนะ ป, ป็นปรุงแต่งเ ป, ป็นวิชาพิจารณาในเรื่องรสชา ต, นะาติที่สําผัสเนี่ยหรือใจมันก็ไปตามสัมผัสทางกายคือแทนที่เราจะราอิเฉยเฉยเราก็ไปปรุงต่อน้อนะไม่ชอบนะ นอนสบายก็ทออไรแบบนีมันมันไม่ใช่แค่รู้เฉยๆว่ามันร้อนหรือมันเย็นนะเอปกสบายหรือไม่สบายเราไม่รู้เิยๆแต่เราไปไปปรุงต่อเมื่อทีฝนตกก็กังวลและกลัวจะไม่สบายถ้าทังที้งก็ยังไม่ได้จะเป็นอะไรนะอือร้อนก็กลัวจะหน้าดำนะดำแล้วก็กลัวอะไรกลัวคนจะ ขัวเพื่อนจ ะ, ะขวัวเพื่อนจะว่าหรือก็อไม่ใช่ว่าก็แค่ก็แค่สะท้อนแต่เราก็เองเราก็ปริวงว่าดำไม่มีขาวมันดีอะไรทั้งคือมันเยอะนะแค่เส้นแค่แดดกระทบเนี่ยมันก็มีมีกระบวนการที่มันกระเพื่อม น, นะจิตใจกระเพื่อมันไปไปไปแต่จิตใจเองก็ไม่ค่อยอยู่เฉย น, น่านงีนงจิตก็จะลอยไปที่นั่นที่นี่อันนี้คือคำ ว, ว่าใจลอยมันคือไปทั้งคดีไปทั้งอนาคตหรือว่าไปกาบสิ่งที่ทมันกระทบในปัจจุ บ, บันเราฝึกกรรมฐานก็คือฝึกว่าให้ใจมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึง่งนะอะไรก็ไดนะ้แต่ขอให้เป็นเครื่องอยู่ที่มันเนื่องได้กายกับใจดีนะไม่ใช่ว่า ไปเป็นมีเครื่องอยู่แบบไปดูนาฬิกาเนะคือให้หุเครื่องอยู่คือกรรมฐานคือคือกลับมาดูกายดูใจของเราเองนะแล้วก็เป็นการดูที่ปัจจุบันสนานะมีมีวัตถุมีวัตถุให้ดูก็คือกายจับใจมีขอบเขตที่กำหนดชัดเจนวนะ่าคือปัจจุบันนะนะนี่คืออันนี้ แล้วก็มีอย่างนี้คือให้ดูแบบคล้ายๆดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบเหมือนการทําวิจัยเหมือนเป็นคนสังเกตเป็นคนสังเกตคือมันเหมือนคล้ายๆถ้าถ้าเปรียบเทียบง่ายๆเนาะเหมือนเราดูคนอื่นแล้วเราเป็นแนะนางานคนอื่นเนี่ยเราจะมอง เราจะมองของได้ค่างๆจะจะดีใช่ไหมหรือเวลาเราดูกีฬาดลูละครอะไรก็ได้เราจะรู้ว่นนี้แสดงดีเล่นดีหรือเล่นไม่ดีเพราะเราไม่มีมีสื่อมได้สื่อมเสียหรือเวลาเราฟังปัญหาของเพื่อนเวลาเราฟังเราก็จะถ้าเราฟังดีๆเราจิตใจเราไม่ระเรเียงอะไรมากเราก็จะมองปัญหาออกเนาะ ให้คำแนะนำได้ดีอันนั้นก็อะไรพก็เราแบบไม่ได้มีส่วนได้เสื่เสียอืมเราจะมองเสม ก, กแต่การปฏิบัติทำมันยากตรงที่ว่าไอ้ความรู้สึกว่ามันเป็นกายกับใจของเราเนะี่ะมันเลยทําให้เรารู้สึกมันมีความชอบมีความไม่ชอบมีความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวพนด้วยในการดูนะเราจะทำไงให้การที่เรามีสติเวลาดู ดูส nh ิ đ ối, đ ่งที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจอ่ะดูด้วยดูด้วยใจที่เป็นกลางดูด้วยเหมือนการสังเกตด้วยเฉยอันนี้แหละคือเป็นการฝึกนะไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ตลอดเวลาแบบนี้หรือทำได้ทุงทีแต่ให้เราลองฝึกรู้เข้าทันว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้เราดูมันเฉยไหมนะหรือถ้ามันมันเกินขึ้นมาแล้ว มันไม่เฉยก็ให้เรารู้ทังว่ามันไม่เฉยแบบไหนอันนี้นะเช่ชนเช่นเวลาเราเรานั่งนานๆนะก็เห็นความปวด เ, เห็นความปวดขาปวดหลังอืมเนี่ยเราอันนี้เราเราู้นะว่าเราปวดทันี้ถ้าเรารู้สึกเฉยเราก็แค่รู้สึกว่าร่างกายเราปวดแต่บางทีมัน ขาของเราปวดนะจิตก็จะคิดไม่อยากให้มันปวดนะบางทีปวดแล้วก็คิดตื่นต่อว่ามันจะเป็นอะไรมากกว่านี้หรือเนลนะ่าเราอันนี้สือมันจคิดต่อถ้ามันคิดต่อเราก็รู้ทันมันต่อก็มันคิดแบบนี้นะหรือเวลาง่วงนะเวลาปฏิบัติธรรมองคก์ก็ไม่ค่อยชอบนะเวลาปฏิบัติแล้วง่วงนะ อ, อยู่ อยู่เฉยๆก็ไม่ม่วก็ดีกว่างนะมาปฏิบัติกลมันม่วนะมันเมื่อยนะมันเบื่อเลยนะถ้าเราสังเกตว่าเห็นเห็นด้านกายเขาม่วบางที่เห็นจิตใจเขาเบือถ้าเราดูมันเฉยๆว่าเป็นแบบนี้นะก็ก็ถือว่าเรามีสติแล้วแต่บางทีเราจะไม่เฉยก็คือว่าอย่างที่บอกว่าก็ม่วตัว เราก็จิตอาจจะไม่ชอบเราชอบความสดชื่นเบิกบานเราก็จะมีง่วงไม่ชอบสดชื่นเบิกบานชอบเราก็จะไปคิดนะฮนะมาทำทำไมทำแล้วนง่วงไปเที่ยวสบายกว่านะฮะมันจึงคิดถึงไปกินอะไรดีจะได้หายง่วงกินกาแฟดีกว่าบือทีก็ง่วง ขนาดตึงนั่งขึ้นชั่โมงง่วงขนาดนี้ถ้าต้องอยู่ทั้งวันจะไม่ไหวหรือเปล่านี่จิตมันจะปรุงไปเนี่ยถ้าทั้งที่ยังไม่ได้อยู่กบทั้งวันเลยนะ <c ười> แต่มันจะกลัวไปเรื่องหน้าอันนี้คือจิตมันจะปรุงแต่งนะเะนั้นมันจะยากเกินที่เราจะไม่ค่อยรู้ิเฉยแต่ถ้าเราพอจะรู้จักมันเฉยเฉยได้คราวนี้มันจ ะ, ะแสดงสภาวะให้เห็นว่า สภาวะ ต, ต่างๆมันไม่มีจะอยู่ตลอดเวลาหรอกนะบางทีมันก็ง่วงมากง่วงน้อยบางทีก็เบื่อบางทีก็คือเบื่อไปนะบางทีก็ปวดก็ปวดอยู่นะแต่ปัจจัยเราไ ม, ไม่จับอยู่ในความปวดนะั้นมันก็ไม่เป็นทุกข์เท่าไหรนะ่นะในนั้นเราจะเห็นว่าปัญญามันจะเริม่มเห็นตัวแรกนะจะเห็นว่าเมื่ อ, อไรที่เราเข้าไปอยู่กับสภาวะมันจะเป็นทุกข์ เมื่อเราออกจากสภาวะเป็นผู้ดูมันจะมีทุกข์นี่คือปัญญาเรื่องต้นจะเห็นว่าเช่นเวลามันโ่วงพราะใจเราไปอยู่ในความง่วงมันเป็นทุกข์พอคิดแล้วใจเราก็ไปอยู่หมกมุ่นกับความคิดมันเป็นทุกข์พอใจเาหลดออกมาจากความคิดอ่มันก็ไม่เป็นทุกข์มันจะสลาดแบบนี้นะเราฝึกว่าฝึกให้เห็นว่าจิตใจอ่ะเมื่อมันหลงเข้าไปอยู่ กับอาการต่างๆมันทุกข์เมื่อเราออกมาดูมันมันก็มีทุกข์ศาสตร์แบบนี้ไปไหวมันคล้ายฝึกฝึกให้ใจมีเครื่องอยู่หรือฝึกอีกอย่างหนคือฝึกให้ใจรู้จักออกมาจากความทุกข์นะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจแล้วเราไม่เข้าทันแล้วมันไหลเป็นนะเราฝึกออกมาออกมาอยู่ที่ตรงไหนเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูดูมันเห็นมัน นะการที่จะเป็นผู้ดูได้ดีแล้วก็นะมีฝึกมีกรรมฐานให้เป็นที่ที่กลับมาของของใจนะนะอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายในปัจจุบันเป็นเป็นเครื่องดูนอาศัยอานาปานสติเห็นหน้ากายหาใจเข้าร่างกายหใใ า, า, าย ใ, ห ใ, ใจออกเป็นเครื่องอยู่ ใ, ใจให้ใจมี กำลังเข้มแข็งบ้านอาศัยบริกรรมก็ได้พุโทโธพุโทโธพุทโธรู้ว่ากำลังบริกรรมอยู่พาที่เป็นสอนคนป่วยต้องขยับอะไรไม่ค่อยได้หายใจเองไม่ค่อยได้ก็ก็ได้พุโทโธคิดออกได้รู้ความใน อ, อ, อย่างนึงอันนี้ก็คือว่าให้เป็นเครื่องอยู่ในปัจจุบันอะไรก็ได้คือให้เรามีเครื่องและ ร, รู้สักอย่างหนึ่ง แล้วปอใจมันถือออกไปจากตัวเนี้เนี่ยเราจะเห็นมันได้เดดดร็วขึนข้นคือพอเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายรู้สึกตัวหายใจเข้าหายใจอใจอกรู้สึกตัวหรือพุทโธรู้สึกตัวพองยุกรู้สึกตัวให้เป็นงานหลๆๆักสักอย่างหนึง่งแล้วปอดใจมันออกไปข้างนอกเราจะเห็นได้ง่ายเมื่อกี้ยัง รู้สึกตัวกับการคลิกมืออยู่ทำไมใจแว บ, บไปหาใจกลับบ้านนะแล้วเราจะเห็นเพราะใจนี้มันแวบออกไปอันนี้คือเรามีงานหลักทุกอย่างเลยเราคอใจแบบออกไปที่อื่นมันจะรู้ตั ว, ด ว, วดได้ว่าเราโด่งไปเมื่อเรารู้ว่ามันนดงไปนะใจจะกลับมาเองอันนี้นคือกรรมฐานนั่คือตรนนน้นที่เห็นว่า งานหลักของเราคือตรงนี้แต่ถ้ามันแวกออกไปที่อื่นเรารู้ตัวจิตมันจะกลับมาของมานเองคล้ายๆเหมือนการเรียนถ้าคนไหนทัานใจเรียนก็จะจะมีสมาธิอยู่กับสิ่งที่กําลังเรียนครูกำลังสอนหรือหนังสือที่กําลังอ่านนะคือสมาธิเราอยู่ที่ตรงนี้พอจิตเราแวกไปยื่นนะถ้าเราคิดเป็นา น, านานนะครูสอนไป เราก็ฟ right? ังกับดูตัวนั้นโดนพอาจริงเราไปอยู่ในความคิดใช่ไหมอันนั้นคือเราก็ขาดสมาธิแต่พอเรารู้ตัวเราเราดูเรียนเราดตั้งใจเรียนเราก็ตกลัดมาตั้งใจใหม่นี่คือสมาธินะสมาธิความหมายที่จริงคือการตั้งใจความตั้งใจมั่นะไม่ใช่สมาธิคือการนั่งนิ่งๆทความสงบนะ สมาธิจริงๆแปลว่าความตั้งใจมั่นส่วนสติคือความรู้ไดนะ้ถ้าสมาธิแล้วก็สติมันคู่กันเนี่ยก็คือว่าเราตั้งใจมั่นรู้สึกตัวที่ปัจจุบัน <c oughs> นี่คือถ้าเราฝึกนะสิ่งที่เรามองฝึกก็คือฝึกทั้งสติแล้วก็สมาธินะแต่บางทีเราก็เรียกง่ายๆว่าฝึกให้สร้างกองรู้สึกตัวแบบนี้เนะฝึกเจริญสติ ถ้าเรามีสติแล้วก็มีสมาธิฝนะึกแบบนีน้บ่อยๆจิตมันจะเห็นนะจิตมันจะมีมีความมั่นคงขึ้นไม่่ไหว ไ, หวไปไง่ายๆหรือไหวไปก็จะกลับมาได้ได้บ่อยขึ้นการฝึกสติฝึกสมาธิเหมือนเราปลูกต้นไม้เหมือนต้นไม้ที่ปลูกตอนเล็นั่นก็ มีอะไรมาดึงมีหรือมีลมมาพัดมันก็ไหวเคลื่อนไปง่ายงแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยนะมันเหมือนต้นไม้มันโตขึ้นรากต้มันคงขึ้นลําต้นก็ใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นโดนมาพัดเด็กมาโยกมันก็มันก็ไหวไปไม่ไกลมันก็กลับมาได้จิตใจก็แบบนั้นแหละเราฝึกไปเรื่อยนะมันจะมีความตั้งมั่นตั้งตั้งมั่นก็คือ มีความมั่นคงนะแล้วก็รู้ทันเวลาไหวมีอะไรกระทบเนี่ยมันจะรู้ทันได้เร็วแล้วต่อไปมันก็จะที่จริงมันสะสมไปตั้งแต่เราเกิดนี่แหละเราจะเห็นในที่บอกว่าอารมณ์ต่างๆอาการต่างๆเนี่ยมันมันแสดงออกเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นนะบันๆหนึ่งนะจะเห็นดีใจเสียใจชอบใจไม่ชอบใจ คิดนั่นคิดนี่จะเห็นเยอะมากว่าแต่และ ว, วันเนี่ยจิตมันตกไปบ่อยมากการที่เราเห็นว่าจิตมันหลงบ่อยมากก็ถือการที่เรามีสติบ่อยนะบางคนเข้าใจว่าปฏิบัติธรรมแล้วบางทีทําไมมัน ม, มันฟุน้งซ่านเ ย, เยเอะเกิดอเกินมันไม่นิ่งเลยที่จริงมันเริ่มมาถูกทางแล้วเห็นว่าจิตมันไม่นิ่ง เปลี่ยมวิจิตังภูงซามันถูกค่ะแต่เป็นแต่ว่าเรามีความบางคนมีความเข้าใจผิดว่ามันปฏิบัติธรรมเพื่อให้มันนิ่งเพื่อมันไม่ภูง้างมันก็เลยเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่ตรงกับสิ่งที่คาดหวังออันนี้คือเข้าใจจิดว่าปฏิบัติธรรมแล้นต้องนิ่งต้องว่างต้องสงบแต่ปฏิบัติธรรมจริงๆคือให้รู้รู้สิที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริง รู้สิ่งเหลือเพื่อตามความจริงก็คือว่านิ่งก็ดูวันนิ่งวุ่นก็ดูว่าวุ่นเนี่ยนี่คือรู้แบบนี้พอรู้แล้วก็ไม่ต้องไปประหยัดรักษาไว้นะเช่นนิ่งก็อยากมันนิ่งนานๆอย่างนั้นก็แค่รู้เฉยๆพอเรารู้เฉยๆเราจะเห็นว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นแหละนิ่งก็ไม่เที่ยงวุ่นก็ไม่เที่ยง นิ่งก็บังคับไม่ได้บุ่นก็บังคับไม่ได้มันจะถอนความเห็นผิดว่ากายหรือใจอากการเกิดขึ้นกับกายกับใจเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราปัญญามันเองแบบนี้นะมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่อาการมันเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามนะแน่ปวดมันก็เป็นอาการของรูปวุ่นก็เป็นอาการของนาม นะหายปวดก็คืออาการของลูกสะโพกก็คืออาการของนาม <c oughs> เห็นเป็นอาการมีค่าเท่ากันะไม่หลงไปิติก็มันเป็นเราเป็นของของเราแต่เนี่คนทั่วไปที่ก็จะเจอความทุกข์ก็เกิมีปัญหาแต่คนเป็นนักปฏิบัติธรรมนะพออาการไม่ดีก็เป็นทุกข์ก็อยากให้มันดีนะ วันนี้หนูไม่สงบเลยวันนี้หนูง่วงมากเลยวันนี้หนูปฏิบัติไม่ดีเลยเพราะไปคิดว่าอาการต่างๆมันเป็นเราแต่ถ้าดูใหม่นะเอ ete, เ อ, เ, อ, อนนเห็นเออวันนี้เห็นมันง่วงวันนี้เห็นมันเครียดวันนี้เห็นมันไม่สงบอันนี้เราได้ปัญยาเห็นเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราูตรงลนะวันนี้เราเป็น เราเป็นเราง่วงเราทุกเรารุนวายแต่ถ้าเราเห็นเราจะได้ปัญญาเนี่ยเขาแสดงตัวเนี้ยไปเรื่อยๆนะนี่คือการปฏิบัติธรรมนะมันจะทำให้เรามีเครื่องอยู่ของสิตใจนะใจจะกลับมาอยู่ในปัจจุบันได้บ่อยขึ้นใจที่จะก่อนจะไปหลง แใจลอยไปที่นั่นที่นี่เราก็ฝึกฝึกกลับมาให้จิตเขากลับมาหาจฐานอาจจฏิบัติบ่อยๆเราฝึกไปบ่อยต่อไปใจจะกลับมาเป็นแบบอัตโนมัติของมันเองนะแรกๆตั้งใจตั้งใจกลับมาแต่พอไปแรกมันกลับมาคนมันเองเป็นอัตโนมัติแล้พอฝึกไปเรื่อยนะปัญญายจะแยกได้ว่านะ ตัวรู้กับตัวโลงเป็นแบบไหนอาการที่เกิดขึ้นกับสภาวะที่ดูมันคนอัดกันพอมันแยกแบบนี้ได้นะมันจะเกิดปัญญาพอมันปัญญามันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่เข้าไปยึดเองหรือพอมันไปยึดแล้วมันก็จะวางมันเองมันก็จะวางมันเองมันก็จะเห็นสิ่งต่างมันเป็นฟุกนะแต่ไม่มีเราเป็นฟุก ก็ยังมีทุกข์อยู่นะทุกข์นี้ตายก็ยังเป็นทุกข์ก็ยังแก้ไม่ได้หรอกนะก็ทุกข์ตามเหตุตามปัจจัยเนาะแต่เราจะเห็นว่าการมเป็นทุกข์คคการป่วยการมันแก่การมันตายจิตใจเองก็ไม่หลงไปยึดตรงนั้นนี่คือคือธรรมะนะที่มีค่าสำคัญมากก็มไม่อยากให้เรา ต้องไปรอว่าธรรมะมีค่าตอนที่เราปวยหนั ก, หนกๆหรือตอนที่เราไม่มีอิสรภาพนะอันนั้นก็เป็นโอกาสดีที่เขาได้มาเจอในช่วงสภาวะแบบนั้นนอะืแต่ก็อยากถ้าเราเห็นว่าธรรมะเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วเราเองตอนเนี้ยเราก็เห็นคุณค่าเราก็พยายามฝึมกกัรทั้งแต่ตอนนี้แหละนะนะ อย่าประมาทว่าราตอนนั้นก่อนแล้วค่อยค่อ ย, ค, อยค่อยมาฝึกหัดนะบางทีมันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะตอนที่แก่มากๆเราฝึกมันก็ยากตอนที่ป่วยมากๆเราฝึก <c oughs> ก็ไม่ง่ายนะเดี๋ยวตอนที่ไม่มีอิสระภาพบางทีก็อาจจะมี เหตุปัจจัยที่เป็นอุปสรรคหลายอย่างมากนะเราก็เราฝึกอ่านเรียนรู้กันเนาะเรียนรู้กันเรื่องเรื่องการเจริญสตินะเจริญสตินะมันก็มีสมาธิเข้าไปประกอบอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถือว่าเป็นการเจริญปัญญานะไปร้วมข้องกันน ะ, น ะ, น ะ, นะ